นอสู่ตายเ้อปฏิบัติธรรมเนอไม่มีสิ่งอื่นหอกที่ทำให้พน้นทุกข์พ้นโทษ พ, นพ้นภัยทต่ภาวนาละ่ะสรางสติสมาธิปัญญาีเป็นทางทสิทธิทรรมให้ทุกข์สิ้นสุด สิ้นสุดบาปกรรมเวรสิ้นสุดลงได้ด้วยภาวนาสติสมาธิปัญญาปัญญาชอบเรียกพวกมันปัญญาผิษ <c oughs> <c oughs> อย่างอื่นอย่างอื่นมัมมี่อำนาจเงินทองเขาของเอาสิ่งของต่างๆเอาน้ำอาหาร เป็นอาหารกายธรรมะเป็นอาหารใจสตินี่แหละสติหรือศีล้าแปลความจริงที่พระพุทธเจ้าว่าผู้มีศีลสมบูรณ์คือผู้มีสติสมบูรณ์เป็นสติเป็นสัมมาสติ แ้านั้นแนวอื่นแนวอื่นนี่ยพ้นทุกข์่ได้จบก่ได้ทำการงานยางอื่นเหมือว่านนี่ยไป <c oughs> ร้างดอกไม่จันเ <c oughs> ขาศบอาจารย์แดงโคศกเขาประกาศแลก้กกรอาจารย์แดงเพื่อนจะมารณาภาคเป็นไฮลุกซี์จะยมผ้ามาเทียวมาดูพุทธมม้นท้นคนแกนเนี่ย พ่อมาละมันเลยว่าโอ้งานของโลกนี่มันว่าจบสิ้นเปนว่ามันจบสิ้นไม่เป็นงานของโลกลจบสิ้นไม่เป็นดอกอ่านหมายความว่ามีแต่งานของธรรมปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมสติสมบูรณ์สมาธิ จิตใจตั้งมันในท้ำปัญญารูท้ำเห็นถ้ำทำเป็นจริงมันจึงจบกันมันเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆเมือนยังลงอาปะสสินประเทก น, นันมันเห็นทุกข์ันมันเห็นทุกข์สมบูรณ์มันจึงจะเกิดความเบือ่อเบื่อในทุกนิพิธานิพิธาญาณ เกิดย่ามเห็นทุกข์ตามเป็นจริงเบื่อค่ายว่ เ, เห็นอโรมณนี่มันจะมีความสุขอนไร น, นี่ถ้าทุกข์เท่านั้นนี่ถ้าเกิดแย่เก็บตายเท่านั้นร็เหนือนไไั่นไปเลยมันไม่เห็นทำมาตามเป็นจริงน่ะแหละมันจะเบือ่อมันเบือ่อไปเลยว่าค่ายคำนัดค่ายคำนัดก็คือค่ายความยินดีค่ายความยินดีที่จะมาเกิดมาแกมาเ ก, ก็บมาตาย ที่มันก็สงบจากพวามมุนหลงเคลียดใ้ใจใจเห็นใจใจรู้ใ จ, ใจตามเป็นจริงอยู่เป็นปกติของใจธรรมาชาติของใจไม่มีรูปไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อไม่ยังเขาไปสู้การเกิดก็ไม่มีทุกข์ชาติทีทุกขาชราพีทุกขามานั่งพิทุกขัง ส่วนจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เห็นโทษของทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันจึงค่ายมันจึงสงบอจากความอยากความเห็นกับสิ่งอื่นจะเป็นที่พึ่งยังร่วมเข่าวมามิตรธรรมคือความรู้จริจรงเห็นจริงเห็นที่พึ่งได้ ถอนลอยว่างว่างจากอุปทานกรรมจึงค่อยจบกันนะเห็นความจริงหเห็นคุณค่าของธรรมะสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมตั้งสติกำหนดใจเนี่ยนี่ความตั้งใจ ไอ้มันแน่แน่แ น, นมันว่้มีความเก็บค้อมปวดยังดอกว่้มีทุกขเวทนาว่้มีความเก็บค ว, มวอมปวดตามเนือ้อตามหนังตามตนตามตัวยังดอกแต่ว่ามันมันหางซอบเผ้อมันหางซอบเพ้อไปรู้ไปกําหนดสิ่งอื่นสติก็เป็นสติ ของความหลงซะก็หลงไปละลึกตามสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นแหะเพราะฉะนั้นมันจึงบม่อยู่มันจึงไม่เป็นสติในองค์มรรคไม่เป็นสัมมาสติคือไม่ละลึกชอบในจิตของเจของเพราะฉะนั้นพยายาม มันมาละลึกมาลู่สติละลึกลูก่ยกข้าพูรู้แู่อย่างว่าสติเป็นเพื่อนสองของใจใองล้มตามหาบัวเพืเ่อนฟฝึก้สติเป็นเพื่อนสองของใจคือความลู้ใจคือความลู้ความละลึกลูก่มันเป็นคู่มันเป็นเพื่อนของความลู้ กลมกืนกันเข่าก็จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยว่าขาดอะยากก้มไปยินดียินไล่ยอยู่กับสิ่งอื่นมันก็จึงเหลือแต่รูเข้าไปถึงรูแท้ผมไม่อย่างรูนี่คิดก็ะ่อเป็นใจนี่นึกคิดก็ะ่อเป็นจํากรบเ่อเป็นปุ่งแทงกรบเ่อเป็นเนี่ยรูเนี่ยว่ารูเฉย นึกคิดกับเป็นจิตตังสะครุงแตงกับเป็นสังขารสะจดจำได้ไม้รูปกับเป็นสัญญาสะรับรูปเสียงนั่นเสียงนี่กับเป็นวิญญาณข้อมรับรูปรับทราบสะล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เกิดจากใจคือข้มรูปอาการเราเมาาื่อกะข้อมรูปนี่แหล ะ, ละเกิดเป็นว่าใจนี่ รู้เฉยๆนั่นแหละเมื่อแยกสินทั้งหลายทั้งควมด้วยปัญญาเ่ะมมนจึงค่อยอุปทานต้องขอบไปยึดนั่นจึงขาดสิ้นไปขาดสิ้นไปกับตัณหาความยากนันก็ไม่มีเลยตัณหาไม่มีอุปทานก็ไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาก็ไม่มีนันได้มดสิ้นไปด้วยกัน จึงมาเลี้ยแต่ใจล้วนๆเป็นอมตะรูอย่างเดียวนั่นจึงค่อยค่อยจบกันจึงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากาอาศัยนี่ะอาศัยอาศัยตั้งใจให้มันคงอาศัยคันติ อดทนอดทำที่ทำให้เป็นพัละพัละเป็นกำลังนี่ที่ว่าบ่มอินซี่ให้กล้าเป็นคำ ว, ว่าอินซี่ก็คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่อะความเป็นใหญ่นยยในความเชื่อเดี๋ววัดสัทธาความเป็นใหญ่ใน ความเพียนไม่ทอดถอยเจ้าอินซี่คือความเพียนอินซี่คือความระลึกรู้เนี่ยว่าสติตเป็นใยในความระลึกรู้แปลว่าสตินซี่สมาธินซี่เมื่อ แล้วลึกรู้อยู่ในตัวเองหรือในสิ่งในสิ่งหนึ่งให้แนวแน่อันเดียวก็จึงเป็นสมาธิส่เป็นสมาธิคือความตั้งใจมันตั้งใจรู้ในสิ่งเดียวเมื่อน้นอมไปที่นิจพิจารณาให้รอบคอบให้ต่อเนื่องให้ ไม่ขาดสายจึง เ, เป็นปัญญินซี่เป็นปัญญาเ <c oughs> นี่เมื่อศรัทธาวิิยสติสมาธิและปัญญาอบล่มบม่มอินซีใหก้ก้าจะเป็นกำลังเป็นพละเป็นกำลังสิ่งที่มีกำลังมากนี่ ยอมทำร้ายสิ่งที่ทั้งหลายทั้งปวงเหมือนกันก็ถ้ากำลังเข้ามากทุบ ก, ก้อนหินทุบสิ่งที่มันแข็งมันก็แตกได้เห็นไหมว่าทุบความหลงมันทุบความหลงทุบความหลงทุบความ อยากขาดกระเด็นออกไปได้ด้วยกำลังของอินรีที่มีกำลังเร็นว่าบ่มอินรีทมีกำลังเป็นอย่างเดียวอวินซีหาพลราหาท่ำเครื่องนํ่ไปสู่การรู้เห็นความจริงที่จะออกจากทุกข์ได้ เป็นเนว่าพ่ปักียธ ร, รมเจ็ดประการพียสามสิบเก็ดประการยกเป็นเรื่องต้นเ็นเรียกว่าสติสติปานสี่ระลึกรูกระลึกรูกน่ากายเวทนาจิตธรรมนี่ว่า สติปทานสีันรรลุรู้จนจนรู้ว่า ก, กายสักเพี่ยงแตว่า ก, กายไม่ใส่สัตบุคคลตัวตนเล่าเขาเป็นกายญานุปัสสนาสติปทานเวทนาค้อมสุขข้อมทุกข้อมเฉยๆบรรลุสักเพียงเป็นเวทนาไม่ใส่สัตบุคคลตัวตนเล่าเขาเรียกว่า เมตนานุปสนาสติปฐานสติรู้ในกายสักเพียงแต่ว่าเป็นกายไปใส่สัตว์บุคคลตัวตนเล่าเขาเรียกกายญานุปสนาสติปฐานจิตคล่อมนึกคิดจะเป็นเพียง ความนึกคิดดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดับไยเป็นเพียงคิดตาอนุปัสนาสติปทานสติปทานสี่สมัปฐานสสมมปสมัปทานคี่ความเพีย้ยนสอย่างเพี้ยนละ ล, ลึกรู้รู้เท่ารู้ท่านนะกนละ ท่านสติรู้เท่าท่านมันกรละแบบเพียนละบาเพียนละบา ท, ที่เกิดขึ้นแล้วที่นี่แล้วที่ทำให้เป็นนิสัยแล้วเพียนละบา ท, ที่เกิดขึ้นเพียนสังวอนเดีว่าสังวอนพระท่านไม่ให้บาบ ท, ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น ภาวนาประทานเที่ยนระลึกถึงข้อมดีระลึกรูในควอมดีทั้งหลายไปเกิดมขึ้นในเรว่าภาวนาประทานอนุรักษณะประทานเพี่ยนรักษาสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้ว คำรุ่งรักษาให้แก้ก้าขึ้นเรื่อยๆนี่เรียกว่าอนุรักษณะประธานนี่เป็นข้อมเพี่ยนชอบสีอย่างสติปทานสี่ข้มเพี่ยนสี่เากาอิทธิบาทสีสันทวิรยกิตะวิมังสา สันทารือความพอใจใครใ่ไดการกำหนดสติฝึกสติเพื่อให้เกิดสมาธิฝึกปัญญาไข้ข่วนนี่เรียกว่าอิทธิบาทสีเป็นธรรมนั่ไปสู่ความสำเร็จสันทาวิรยิยะิดตะวิมงังสาสี่ สติปัฏฐานสี่า ม, มเพียรสอิธิบาทสี่สีามเป็นสิบสองอนี้ก็อินซี่หาพระหาเป็นสิบ็เป็นยี่สิบสองโคดส่งเจ็ดโค่งเจ็ด จะเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามักมีองศา ม, มีองศาแปดเก้าสิบกะเป็นสามสิบเจ็ดจะเนี่ว่าโบพถ์ปากีสรานสามสิบเจ็ดประการ เป็นร้ำหรือเป็นหนทางเดินไปสู่ความทุกข์เดินไปสู่ความรู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงรูสมมุติตามเป็นจริงถ้ามันประชุมสมมุิทั้งหลายล่งเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งหมดหรือทุกสิ่งทุกอย่างตายทั้งหมดสิ่งทั้งใดเกิดขึ้นตายทั้งนัง้นกันคือมันรู้ข้อจริงโดยปัญญาโดยกําลังโดยพระรา เปัญญาทัศน์ น, น, นั่ น, นะเรานัว่าญาณทัศนาวิสุทธิเป็นญาณนงูดะปาริจะคุงอดะปาริญาณนางูดะปา ด, าปา ด, าปาดิปัญญาไ ด, ด้ปาริวิชาด้ปาริญาณได้เกิดขึ้นแล้วดวงตา คือปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วจะขงปัญญาชอบได้เกิดขึ้นแล้วกะสว่างโลโลโกโดะปาดินั่นมันจึงทำลายความมืดทำลายโมหะทำลายความหมาามลงยึดทั้งหลายสิ้นสุดลงย่างวาเอร์ใจอันนั้นว่า ส่งเสติประทานสีสมาพันธาสีอิทธิบาทสีอินทรีย์หาพลราหาโคดส่งเกตมักมิองแปดอันนี้เป็นกำลังเป็นกำลังให้เกิดญานคือความรู้ ตามเป็นจริงเนี่ยลู่ตามเป็นจริงความสมมุติหรือว่าตัดอุปทานทั้งหลายขาดตันหาที่ความอยากทั้งหลายสิ้นสุดถึงว่าเป็นวิมุตตินิพพานเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเป็นอย่างว่านิพพาน ห, หนึ่งเป็นนิพพานมีมีหนึ่งมีอันเดียวได้ปะ เป็น่าร่วมธรรมะสมุิทั้งหลายเขามาเป็นหนึ่งขรุรูละรูว่างรูว่างอันเดียวนี่ก็พฤธรรมปฏิบัติธรรมภาวนารักษาศีลเจริญเนีตาภาวนาทำบุญทำท่านเพื่อจะเป็นแรงให้เกิดสติปัญญาความูควาอมเห็นตามเป็นจริง คำมันว่างยังสิรองในชื่อว่าเป็นผู้ลุวยคือว่ารุ้ยถรำเป็นผู้ลุยด้วยถ้ำลด้ยปัญญาคนจากทกทั้งหลายทั้งฝวงได้ได้นั่นได้นี่ถ้าขายล่ำรุวยได้กำไรไอย่ ง, ยงอยงมันนความรุวยได้น่ะมันยังบ่จบไปให้เข้าใจ การปรรระพธมปฏิบัติธรรมนี่เพื่อสิจะทำที่สุดแห่งทุกข์ไปสิ้นสุดไปให้จบสิ้นไปอันนี้เอาลวดโ ย, ย่ลำลวยสวยงามหลวงปู่อินพ่อแม่ผู้ท่องอินเพลนลำลวยสวยงามมียังเป็นนรก ok อยู่ยังทุกข์อยู่เพราะว่า รูละรูว่างรูว่างว่าเอายังจากอย่างว่าต้องมียังจากยางนั่นแหละความรวยที่แท้จริงคือความไม่มีไ ม, ม่ีไม่เอาไม่ ม, ไมีมีอุปทานไม่มีความยากนั่นต้องไปจบกันสารจะเอาร่ำรวยมีนั่นมีนี่ โลกทั้งโลกเนี่ยรือแผ่นดินทั้งโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิษฐานให้เป็นท้องคั่มเว่าของมีคาท้องคั่มมีคาเอายกให้ให้กัยืนเดินนั่งนอนอยู่บนท้องคั่ที่ว่ามีคานี่แหละนันจะหมดบ่อทุกบ่บอหมดมันยังมีควอมยากมีความหลงข้อมโลกอยู่ในจิตนั่นเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ ความหลงอันเดียวนั่นแหะมหลงนหลงแล้วมันก็ยึดก็ถืออ่นละเป็นเหตุให้เป็นถูกทำร้ายความหลงโดยปัญญาสักโดยการเห็นการดูตามเป็นจริงอย่างเดียวก็จบกันพระสัทธรรมภูธเจ้าพรนจงบอแนลามิดให้พุทธบริษัทของพระภูธเจ้าอ้าให้ล่ำด้วยมีเงินมีทองมี เขาบัลลาบยศต่างๆเพ อ, อบัลลาบยศค้อมเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจผู้เท่เจ้าเพิ่งก็เป็นมาแล้วมันก็ว่พอทุกอ ม, มาเศรษฐีมหาเศรษฐีเพิ่งก็เคยเป็นพอผู้ท่เจ้าเคยเป็นมหาสุนทรสเนเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ยังว่พอทุกอยู่นั่นแหะเพิ่งยังค่อยในมาสอน ไอ้มีสติมีปัญญารู้พ้มันเป็นจริงมันกระลาเองดอกก็่ต้องบอกมันหรอกใจความจริงมันละมันถอนมันปล่อยมันว่างมันว่างนั่นจึงคือคือว่าคนถูกพยายามสิ้นเชิงได้เอ้ามันเป็นเรื่องเส้นแหยะ ล่ำด้วยสวยงามโยมันว่ามีถูกอย่างมันขันิยากบอกเพื่นกยเจ้าพระองค์สามารถที่จะอธิษฐานหรือบรรดานได้ทั้งนั้นละโดยอำนาจบา ร, รมีที่พระองค์สั่งสมม่าที่จะบรรดานหรืออธิษฐานได้มันก็นต้องมีบา ร, รมี ที่ได้ทา ม, มาเพราะท่นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงปฏิเสธบางอย่างพระสงฆ์ทั้งหลายพุทธบริษัทว่าโอ้พระพุทธเจ้าดีจริงเป็นผู้เลิศด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดอัศาจารรย์ต่างๆไปที่ไหนก็ ไม่อดไม่อยากนี่ผู้สักการบูชาเหมือนยังครั้งที่เสด็จโปรดเช่าเมืองเวสารีที่เกิดโรคหาเลกิดโรคระบาดคนลมตายเมื่อนิ ม, มนต์พระพุทธองค์ให้เสด็จโปรดพระองค์กลับไปข้าไปกันด้วยอำนาจบา ร, รมี ของพระพุทธองค์ที่ได้สร้างไว้นั่นแหละก็ไปถึงกับเกิดฝนตกเ่พดาทั้งหลายบันดาลไ้ฝนตกพัดซากศพค้นลมค้นตายที่เกิดจากอมนุษย์พูดผีปีศาจทำรายเกิดจากข้อมสกรปรกเกิดเป็นโลกติตดต่อต่างๆอีกฝนตกพัดพ่า เอาสิ่งสกรปรกทั้งหลายล่องแม่น้ำคล้องข้าไปพระพุทธองค์ก็ให้พระอานุ่นเลี้ยนอรัตนาสูตรยานีถาภูตานีสมาคาตานีน้อมและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาน้ามยีดไปอาบาตของพุทธองค์แหะใส่น้ามยีดไปเนี่ยเพรามันเพรม่นเอาเทียนมาหยอดคือเอาเห็ดซุเมืเนเ่ยพระพุทธเจ้าให้พระอานุ่นทํานำมน่น น้ำใส่บาดระโนนอูมไปยิดไปศาสตร์ไปทั้งในเมืองกําแพงเมืองสามชัน้นสั้นพระราชวังสั้นราสดอนสั้นเจ้าหน้าทีต่ต่างๆยิดไป น, นําม้นถูกุพีปีศสาสตรเอมนุษย์ทั้งหลายหนีไปอยู่ขอบเขตเจ้ากระวานเกิด ว่ามเล่ารอนที่นี่จึงเกิดดอกไม้ทิพโอยลงมาอย่างว่าประชาซา่อนทั้งหลายภิกษุทั้งหลายสนธนาขันว่าเป็นอัศจรรย์ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าพระองค์ยึงปฏิเสธ ม, ม, มันไม่ใช่อำนาจ ของพ่อเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่เราได้ทาไว้แล้วเราได้บูชาพระพระเจ้พุทธเจ้ารูนถึงแท้ข้าวขั้งเทศพระพระเจบพระสิมาพระเจ้พุทธเจ้าที่เป็นลูกเป็นลูกของพาม พระพุทธเจ้าเกิดเป็น้ามลนุก้ายเกิดมากไปศึกษาเล่าเรียนธรรมะไปะสิ่งวันรุษเป็นพระพเจ้าตายพวกชาวบ้านชาวเมืองเขากับเผากองถาดพระพเจดไว้ต่อมาผู้เป็นพอเนี่ยก็กเห็นหนุกไ้ายนัานนะ่ะก็สืบเสาะแสวงหาไป เห็นไปลูกพระลูกนี่เป็นพระพเจ้าพุทธเจ้าแล้วยิปไปบูชากองอทิกองอยู่ของพระพเจ้าพุทธเจา้าด้วยดอกไม้ด้วยพระพร้อมด้วยน้มอันนั้เป็นอนิสงส์พระองค์ย่อมรับรองเป็นเพราะอนิสงส์ที่ได้ทาไว้แล้ว นเพาราะอาจา์เนว่าบรรดาในสมมุดความสุขความเจริญด้วยลาภยศสันละเสริญต่างๆเป็นด้วยอ น, นิสงส์ที่ไดกระท่ำหรือสั่งสมไววนี่มันเป็นด้วยอำนาจอย่างพระพุทธองค์จะอธิฐานด้วยจะบอกพระที่บวช ด, ด้วยพระวาจานก็เพราะพี่น่าเห็นว่า พระทั้งหลายเรานั้นได้ทำท่านทาบุญทำท่านให้ภาตไตจีวอนเป็นท่านไว้แล้วยิงได้บอกเอหิพิคูปสัมะทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดไม่ใช่ว่าเกิดจากว่าจาศิษ์ของพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ไม่เคยได้ทำไวพระองค์ก็ไม่ได้บอกยางพระทาหิยะทารุจิเมื่อได้ฟังทําของพุทธองค์ เพียงแค่ว่าเห็นสักเพียงแต่ว่าเห็นรูสักเพียงแต่ว่ารูได้ยิน่นสักเพียงแต่ว่าได้ยิน่นแค่นัน้นเพื่อนกับบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์แล้วอาภัยหิยะขอ เ, เ, เพ่นได้บ่เพ่นบ่มไม่จนจะเต็มแล้วทีนี้ขอบวชพระพุทธเจ้าจึางบอกที่หน้าล้วไม่มีอเ น, น้สง มีอันนี้สงฆ์บงบอกว่าเธอจงสแสวงหามลิขานเพื่อบวชเพื่อสมบทติเป็นพระภิกษุเธดิดยังสแสวงหาไปนั่งยักษีนี่เลยเป็นคููกำมคููเว้นกันมาั้งแ่ปางอะไรก็เห็นเข่าดนใจโค่หม่ลูกอ่อน พิดพระพาฮิยะต่เรียกว่าดับสิ้นสิวิสีวิสีว่วาหรือว่านิพา น, นใส่เขออ้ามาในพพานเพราะพระพาฮิยะถึงแม้จะเป็นโยมยุกตามเพิ่นวันจิตใจเพิ่นบริสุทธิ์เป็นพระอระหันต์แล้วขามพ้นกรรมทั้งหลายนั่นล่ะกรรมที่นี่มากก็จบกันลงนี่เพราะนั่งอยักษิ่นี่เนี่ย โดนบรรดาลให้โคคิด ใ, ในพุทธการของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่สีคนมีอยู่สีท่านที่ถูกโคโคคิษตายทั้งสีท่านกันนี่แหละจิตวิญญาณของนั่งอยักษิหนี่ตนเดียวกันโจรเข้าแดงในฝั่งรรมของพระเจ้าบรูลธรรม ไปถูกโคอคิดตายเหมือนกันยังไม่ได้บวชพระฮิยะนี่ถูกโคอคิดตายแล้วมีอีกสองท่านพุทธเจ้าจึงพยากรบุพกรรมท่านทั้งซีนี่สมัยก่อนเป็นลูกของเศรษฐีมีซับมาไม่ได้ทำบุญทำท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรม อันใปเลยใส่ซับนี่ไปว่าจ้างนั่งยักษี น, นี่เป็นหญิงโสเภณีตะกอนเรียกว่าเป็นหญิงบริการพวกบุรเศรษฐีทั้งซีคอนเมื่อจ้างนั่งโสเภณีมา บอมเลอร์ไอความสุขกับเจ้าของแล้วก็เลยออกอุบายว่าขา่ายิงบริการให้ตายซะแล้วก็เอารัพคของเจ้าของนี่ซับขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อตกลงกันยังไงก็ว่างแผน เมื่อหญิงบอมเลอร์นเนี่ยบอมเลอร์ตนมีความสุขส ำ, สำเร็จความสุขตามความปรารถนาของตนเนี่ยจะได้พา ก, กัน่าเมื่อคาอยู่นัน่งยังบ่ตายนั่งก็ บ, บอกว่าคนทั้งซีคนเนี่ยมาแห้่เล่าบอมเรอร์มีความสุขแล้ว ทามาขาเล่ามาทำไา่เล่ า, า, ลาเล่าลขอผูกพยาบาทแต่ทำไา่ค้นทั้งสีข้นเนี่ยไปทุกรบทุกชาตินันดอมันเลยเป็นกรรมผูกกรรมผูกเว้นกันเลยด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ท้ำนั้นโยนถึงแม่ว่ามาถูกนั่ง ยักษ์นั่งเนี่ยมาเป็นกิจวิญญาณมาเป็นยักษ์ขีนี่เลยเขาสิงคโคลนคิดตายทุกพบทุกชาติจนวันสุดท้ายนี่ยัง่งเลยม่าตัดรอนกันเนี่ยถึงแม่ จิตใจบรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วก็ยั่งโูกนั่งยักษิี่นี่นี่เขาสิงคโคพิษตายอยู่พระภาหฮิยะเ่เพราะเรื่องกรรมที่ไม่ดีทำแล้วก็ให้ผลนกรรมดีทำแล้วก็ให้ผลเป็นคู่กันไปนี่แหะทำทัำ้ง ทำไว้แล้วมันไม่ได้จบสิ้นง่ายๆผลผลของกรรมมันบ่เน่าบ่เปื่อยมันบ่ทำไร้ง่ายคือผลมักมีหมัขนานมักงวงผลมักเต้ามักแตงเนี้ยมันตามกันผลมัพเผาผลมักตานมันยังเน่าเป็นเนี้ย สุขมันนี่เลยผลของกรรมที่ท่ามเลยก็เหมือนกันนั่นแหละไปถึงแม้มันเน่าหลือมันก็มีเม็ดมีไน่มันผลใหม่ผลขนุนผลมะขผามกตาลเกลือกเนื้อมันเน่าหลือมันก็ยังมีเม็ดมีไน่ยมันก็ยังเกิดอีกมันก็ยังมาเป็นบกขผาบกตาลอีกผลของกรรมหนึ่งเหมือนกันแหะท่ามเลย เป็นผลให้ผลไปเรื่อยๆพอเมื่อใดมาปฏิบัติธรรมอดพศีลธรรมแห่ละสร้างสติสมาทิปัญญาสมบูรณ์ละจึงจะตัดกรรมสรุปและวิบาสสิ้นสุดลงได้เพราะฉน้ยินดีในการ ภาวนาเนี่ยให้มากมากเขาทําบุญทําท่านแต่ทําแต่ภาวนาเพ่งธาตุเพ่งขันตามจริตนิสัยบางคนเคยเป็นซับปลเาเรเขาซากเขาศบปาดซากศบพวกที่เบรนเนี่ยเขาเขาปาดเออเนี่ยพวกที่เบรนเนี่ย ผู้เป็นสับเปลือผู้เป็นผู้ทำพิธีเอาศพไปว่างมันจะมีแท่นตามฟังแม่น้ำลาซาเมืองราชาเมืองหลวงทิเบตคนใดที่หายท่านทำบุญทำท่านหายท่านแจ่มุ่นนิธิไว้ว่าถ้าขาไวเจ้าตายแล้วให้เอาไป ส่งไปสวรรค์ด้วยการเอาเนื้อเอาหนังเอาว้ยวานี่ยองน้ำให้ปากินบางค้นก็นให้แบกขึ้นไปบนภูเขาให้ปาาเนื้อป่าในร่างกายให้แล้งแห้งกินใแล้งกินทุบ ก, กระดูกตํากระดูกซสียโคกเหีนให้แล้งกิน นี่ประเทศทิเบตเพราะฉะนั้นพวกที่ทําเนี่ยที่เป็นซับเปลเรเป็นผู้ทถ้ำนาที่เดี๋ยวว่าเห็นซากศพยุบบ่อยๆเหมือนอย่างพระยศศักดิ์ที่ได้กล่าวว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดขอ้องพอมองเห็นข้อมวุ่นวายที่พ่อได้ฟังถ้ำมาของพระศิษยเจ้า ได้ฟังครั้งแรกพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องท่านศีลสวรรค์โทษของกามโทษของลูกเสียงกินรสโพธพภะ ท, ที่ยินดีติดอยู่แล้วการสละการสละกา ม, มคุณหาเน า, าสละลูกเสียงกินรสโพธภะพยาศะเลย บรรลุโสดาปติผลบัดพ่อพุทธเจ้าแสดงแก่พ่อแม่ของันอืได้บรรลุเป็นพระอหรหันต์สิ้นกิเลสพ่อไอ้อย่างพุทธเจ้าพี่น้าแล้วยพายัสสะเคยเป็นสัพเพเหสทุอกอนเผาคนเผาผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่เร็กๆกเล็กน้อยเผาซากเผาศพสัตวิรุษานต่างๆ พระนหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ ว, วางค่อวางองกันนี่แหละถ้อยังหลงตาว่าเนี่ยยินเรื่งที่เดชเบดเ ป, ปาดเวลาปาดสีปาดเนื้อปาดน้ำมันจะเห็นเลยเห็นเข้าไปจนถึงกระดูกทุบกระดูกอีกในกระดูกกับเป็นเนื้อเป็นเลือดในกระดูกทิ้งล่องหายปลากิน ไปตามน้ำพุเอาไว้ให้แหง้งกินอูทด ท, ทุกกระดูกให้แหง้งกินคึบเดียวท่านั้แหละประเทศทิ BET, เบตเขาเอาไปทิ้งไว้ศพคนตายผู้น่อยผู้ใหญ่นัก บ, บวชคนธรรมดาเก็บศพแอบศพเนึ่ยผ้พอสิบนาทีา <c oughs> อี่แห้ง <c oughs> เป็นมืนมืนลุ้มเอาไว้ระยะตะกระดูก เเก็บกระโดงเมื่อทุบๆแอง ก, กินมดเกี่ยงนั่นวิธีเก็บศพทวกทิเบตมันจึงเป็นอนุสติมันจึงเป็นอสุภะสติอสุภะภาวนาวิปัสนาเนี่ยเป็นอารมณ์เพราะนั้นพวกนี้ต้องกำหนดเรื่องความเป็นความตายกำหนดแยกมัางธาตุมัางกายจะของ พวกจังหนึง่งผ่อนคยใหแ้แต่ของสวยของงามเนี่ยนี่รูปสวยรูปงามพวกนี้ต้องต้องเอาความงามมาแท่งซะกันเท่งความงามกำหนดแท่งความงามยังเคยเท่งความเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอุบายอะไรแบบดอกไม้มีดอกไม้สวยๆงามๆ ม, มานั่งเท่ง เพ่งไปเพ่งไปมันวันสองวันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันกันกบพระประเจกหาร้อยลูกของนั่งประทุมวดีลูกไสาหาล้อยนมนมอยู่ไปอาบน้ำเพ่งดอกบัวเห็นดอกบัวงามงา ม, งามเพ่งดูมีความชอบใจในความสวยความงา ม, งามเพ่งดอกสวยๆงาม แห่งดอกที่มันแก่มันล่วงโรยไปเพิ่งกระ น, นอมมาเห็นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตานั่นอันบอลบอลสลูพูดยอดเคยเข้นตั้งยูดับไปเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวตน ม, นมันไปจบกันตรงนั้นเนี่พวกพวกนี้พวกนี้ต้องแพ่งของงามซะกัน เขาเรียงงามเรียงสวยงามซะกันเหมือนนา่งเงินนั่นน่ะท่านยาของพระเจ้าพิมพิสารเป็นภูมีควอมสวยงามเขาไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าตํางเพ่งนิมิตสาวงามกลัวนั่งเมื่อไปเห็นก็นชอบใจเพ่งเบื้องเห็นเบื้องพุทธเจ้ายังคอยนิมิตให้คอยแก้คอยเทาเพืท่ า, ายจะตายจะเกิดปัญญาเห็นข้อมจริงได้ วันอูนิสัยของแต่ละคนละคนจริญนิสัยต้องปฏิบัติตามนิสัยนั่นนันมันยังจะรู้ง่ายเห็นง่ายได้เอาเอาละ <c oughs> <c oughs> มันต่อเนื่ <c oughs>